อีกสูตรหนึ่งนะครับรูปประสูตรนะครับว่าด้วยอารูปละเอียดกว่ารูปจิงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันรตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอารูปละเอียดกว่ารูปนะครับ หมายก็ว่าอารูปเนี่ยละเอียดกว่าอารูปประพรมเนี่ยนะครับหรือละเอียดกว่ารูปใช่ไหมครัอารูปประชานละเอียดกว่ารูปประชานมั้งั่นเถอะนิพพานละเอียดกว่าอารูปมั้งนั่นนิโรดน้ละเอียดกว่าอารูปและพระองค์ก็ตรัสคถาว่าสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปประพบสัตว์และสัตว์เหล่าใดดำรงอยู่ในอารูปประพบสัตว์เหล่านั้นไม่รู้ชัดซึ่งนิโรดเป็นผู้ยังต้องกลับมาสู่ภพใหม่ นะครับอย่างเช่นอาราและดาบทอุตตะดาบทหรือพรมทั้งหลายที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรทำเนี่ยนะครับจะต้องกลับมาสู่การมาพบทั้งหลายอีกนะครับไม่พน้นส่วนชนเหล่าใดกําหนดรู้รูปภพแล้วนะครับคือทําปริญญาในรูปภปพหมดไม่ดํารงอยู่ในอรูปภพชนเหล่านั้นย่อมน้อมไปในนิโรธเป็นผู้ละมัจจุคือความตายเสียได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะมิได้ ถูกต้องอมตะธาตุอันไม่มีอุปธิด้วยนามกายแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งการสละคืนอุปธิย่อมแสดงบทอันไม่มีความโศกปราศจากทุรีนะครับคือพระพุทธเจ้านี้เมื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำให้แจ้งพระนิพพานแล้วก็เอาพระนิพพานนี้มามาแสดงนะครับให้เวนยสัตว์รู้ได้เวนยะนะเวนยเวนย มีกี่อย่างครับหนึ่งุคติตันยูสองวิปัญจิตันยู3านยยะบุคคลของเราก็ปทะาปาระมะฟังเพื่อเป็นบุญวาสนาในภพต่อๆไปน ะ, ะ <S <S นะครับนะครับคือทั้งหมดเหล่านั้นก็ก็เรียกว่าเวนยะเหมือนกันนะครับจะเป็นอุคติตันยูหรือวิปัญจิตันยูหรือนยยะก็ชื่อว่าเวนยชนนะ ค, ะนะครับนะถ้าหาว่าไม่บรรลุในชาตินี้ก็เป็นปะทะปรมะนะครับ แต่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งบัพปฏิบัติไว้แล้วเนี่ยนะครับเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เราก็ต้องเก่งนะครับใช่ไหมเพราะเรียนไวแล้วอ่ะทําไม่ได้เรียนไว้ก็ว่าไปอย่างนะครับชาติที่แล้วเราเรียนไวไม่มากนะครับพอมาชาตินี้เลยยากเดี๋ยวพบต่อไปเรียนไวในชาตินี้ให้เพียบเลยนะครับชาติหน้าก็เบาสบายนะครับฟังอะไรก็แทงตลอดเลยเข้าใจหมดเลยนะครับอตกถารูประสูตรนะครับอ บอกว่ารูเปหิความว่ากว่ารูปราวจรธรรมทั้งหลายบอกว่าสันตะตราความว่าสงบดีกว่าด้วยว่ารูปราวจรธรรมทั้งหลายชื่อว่าสงบแล้วเพราะข่มกิเลสไว้ได้เพราะละองที่หยาบมีวิตกเป็นต้นได้เพราะมีภูมิมั่นคงแล้วส่วนอรูปธรรม ท, ทั้งหลายคืออรู ป, ปรพบ น, นะมีพฤติกรรมสงบดีกว่ารูปธรรมแม้เหล่านั้น เพราะมีองค์สงบและเพราะมีอารมณ์สงบเพราะฉะนั้นอรูปรธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงกลัดว่าสันตตระคือสงบกว่านะครับคืออรูปปัจานเนี่ยนะครับสงบกว่ารูปปัจจานเหมือนกันพระนิพพานชื่อว่านิโรธเพราะว่าผลสมาบัติก็สงบกว่าอารูปปัจจานที่สนั่นะนะพระสมาบัติเนี่ยสงบกว่ารูปปัจจานนะครับที่แม้ยังไม่มีความสุขเกิดโดยที่ยังมีสังขารเหลืออยู่ เพราะสงบความกระวนกวายอันเกิดแต่กิเลสและเพราะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นนะสุขุมนะครับเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็จะป่วยกล่าวไปลายถึงธรรมะเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงคือ น, นิพพานแล้วนะครับนะพระสมมาบัติก็สงบกันเนวสัญญาแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงว่านิพพานเนี่ยจะสงบกันเนวสัญญาขนาดไหนขขยังถ้าหาเป็นพระสมาบัติทางแค่ของพระโสดาบันนี้ ก็น่าจะสงบกว่านะครับก็สงบกว่าอารมูปฌานนะครับทําไมครับเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับก็สงบกว่าส่วนอารมูปฌานก็มีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์นะครับเนวสัญญาเนี่ยนะเนวสัญญามีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์มีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์กับมีนิพพานเป็นอารมณ์ไหนดีกว่านะครับมันก็แตกต่างกันเยอะนะครับความปณีดนะ เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอารูปเปินิโรโธสันตะตะโรนิโรตสงบกว่าอารูปทั้งหลายส่วนในคาถานในคาถาที่ตรัสว่าสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปประพบและสัตว์เหล่าใดดํารงอยู่ในอรูปประพบสัตว์เหล่านั้นไม่รู้ชัดซึ่งนิโรธ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 เพราะฉะนั้นในคาถานี้นะครับรูปประพบตรัส เ, เรียกว่ารูปนะครับบทว่านิโรธังอปปชานันโตอาคันตาโรปุนับภวังความว่าสาัตว์เหล่านั้นผู้ไม่รู้ชัดซึ่งนิโรธนะครับจะมาสู่ภพใหม่นี้พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่านิโรธเป็นธรรมะสงบกว่ารู ป, ปรธรรมและอรู ป, ปรธรรมทั้งหลายนั่นเองนะครับ บทว่ารูปเปสุอสันหิตาเมียธิบายว่าชนเหล่าใดไม่ดำรงอยู่ในอรูปประพบทั้งหลายด้วยความกําหนัดในอรูปคือกําหนดรู้อยู่ซึ่งอรูปประพบเหล่านั้นนะครับคือทําปริญญาในอรูปประพบหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเย mm hmm. ในคำว่านิโรเทเยวิมุตจันติเป็นเพียงนิบาศคําที่เหลือไม่ยากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสรุปแล้วสูตรนี้ก็พาหันอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้